ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันเป็นความฝันของมนุษย์อย่างน้อยๆเวลาที่เราทําอะไรผิดเราอยากกลับไปแก้ไขอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครเคยทําได้อย่างน้อยๆที่สุดนักฟิสิกส์ก็ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่มีทางเลยที่จะสร้างเครื่องเก็บเวลาหรืออะไรที่แบบทําให้เราเข้าไปแก้ไขอดีตหรื อ, อรแบบนั้นได้อย่างน้อยที่สุดก็ในยุคนี้ you're listening to the standard podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears ได้ในในโลกหลวนฟิสิกพอร์ดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกจากสิ่งรอบตัว ถามกันว่าเวลาคืออะไรแล้วก็คุณก็ก้มดูนาฬิกาเหมือนกับฝางนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่วันนี้เราจะคุยกันไปมากกว่านั้นอีกว่าเอ๊จริงๆเวลานีมน่มันมายังไงกําหนดเวลากันยังไงนะคะก่อนที่จะมาเป็นวินาทีนาทีเป็นชั่วโมงหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยรอมานานมากเป็นปี ป, ปีเนี่ยเอย๊เรื่องราวของเวลาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้เรามาคุยกันในใดๆ ใ, ในโลกโล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยอยู่กับฝางรัตตาร์จิตพนาค่ะและผมอองแปงอัดวรคงจันทมาศครับ นี่บอกแฝงเริ่มก่อนเลยเวลาเนี่ยก็ก็เห็นอยู่ว่าดูนาฬิกาก็คือรู้เวลาแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะกว่าจะมาเป็นเวลานี่มันมาอย่างไงหมายถึงก่อนที่มนุษย์จะสร้างนาฬิกาได้<ะ>ใช่ไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องเวลาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเราจําเป็นต้องเข้าใจเวลาเพราะว่าเราต้องดํารงชีวิตเนาะสังคมสมัยใหม่เนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์ของเวลาที่ถูกสร้างมาตรฐานชัดเจนแต่ในยุคโบราณเนี่ย จริงๆก็ไม่ได้ต่างมากในมุมหนึ่งเพราะว่าเราก็เอามาตรฐานของเวลาก็คือสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมอมากๆมาใช้ในการกําหนดช่วงเวลาเช่นดวงอาทิตย์นะฮะเรานับช่วงเวลาหนึ่งวันจากการเปลี่ยนตําแหน่งของดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบนะครับจากเที่ยงวันวันนึงไปถึงเที่ยงวันอีกวันหนึ่งเราก็เรียกหนึ่งวันอย่างเงี้ยเออซึ่งการเปลี่ยนตําแหน่งของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีความเสถียรพอในระดับหนึ่งนะฮะก็ ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้พอสังเกตได้นะโดยที่ไม่ได้ต้องมีแบบว่าอะไรกะเกณฑ์เยอะมากใช่ใช่ก็พอใช้ในระดับชีวิตประจำวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการพยายามสร้างมาตรฐานเวลาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเราจะไม่ใช้การดวงอาทิตย์ละเพราะว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์มันขึ้นอยู่กับการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยมันไม่ได้ ส, สม่ําเสมอขนาดนั้นมันเร็วบ้างช้าบ้างนะครับแล้วก็ บางทีมันก็มีปัจจัยอื่นๆเช่นผลจากน้ำในมหาสมุทรมันเสียดทานกับตัวโลกทำให้ส่งผลต่อการหมุนแรงโน้มถ่วงของไอโน่นี่มันส่งผลเล็กๆน้อยๆแล้วรวมๆกันบางทีมันมันมีนัยยะสำคัญบ้างเหมือนกันทำให้ในการสร้างมาตรฐานของเวลาเนี่ยในยุคนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปใช้พวกนาฬิกาอะตอมค่ะฮะซึ่งนาฬิกาอะตอมเนี่ยหลักการของมันเนี่ยคร่าวๆก็คือมันจะนับ คลื่นนะครับคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ที่อะตอมบางชนิดปล่อยออกมาเนี่ยคลื่นของมันเนี่ยมันจะมีความขี่ที่ ท, ที่ที่แม่นยํา ม, มากถ้านับรอบคลื่นมันเราจะใช้ในการเซตมาตรฐานได้ อ, อย่างนี้ดีกว่าโอ้ไกลห่างจากนาฬิกาปกติมากอยู่เหมือนกันนะคะพี่ใช่ฮะก็มากมา ก, มากเลยแหะนะแต่ทีนี้คําถามคือว่าแล้วนาฬิกาอะตอมเนี่ยมันแม่นยําแบบร้อยเปอเซไหมมันไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยหรือเปล่า คำตอบคือมันก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่แต่น้อยมากนะครับล้านปีมันอาจจะคลาดไปไม่ถึงวิอะไรเงี้ยนะฮะก็น้อยมากแล้วกันอย่ น, นี้อืมนะอืมซึ่งนาฬิกาอะตอมเนี้ยเป็นตัวกําหนดแหะคะว่าโอเคมาตรฐานของเวลาคืออะไรใช่ทุกวันนี้เราใช้นาฬิกาอะตอมในการทําการทดลองสําคัญสำคั ญ, คญใช้ในการอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ ม, ม, มันก็จะมีความแม่นยําสูงเนาะเพราะว่ามันมันเที่ยงมากอืมอืมแต่ทีนี้มันจะนำมาซึ่งคําถามที่ลึกซึ้งบางอย่างนะว่า ถ้านาฬิกาอะตอมมันก็ไม่ได้แบบเป็นความเสถียรร้อยเเนี่ยแล้วมันมันคาดเคลื่อนไปจากอะไรเขาเขาจะมาคําถามผมทําไมมันถึงไม่ไม่แบบตรงเป๊ะตลอดอ่ะมันไอการที่มันไม่ร้อเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเวลามาตรฐานบางอย่างอยู่แล้วไอเวลามาตรฐานที่ที่มันแม่นยี่ก่อนาฬิกาอะตอมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ออันนี้มันนํามาซึ่งคําถามที่ลึกซึ้งมากๆว่าเวลาคืออะไรกันแน่ก่อนอื คือหมายความว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกา<ะ>การขึ้นต่อของดวงอาทิตย์อะไรก็ตามหรือแม้แต่นาฬิกาอะตอมเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ช่วยในการสร้างมาตรฐานของเวลาให้เรา<ะ>แต่มันไม่ได้ตอบเลยนะฮะว่าเวลาจริงๆคืออะไรใช่ปะ่ะผมเล่าคร่าวๆนี้ก่อนว่ายุคโบราณก่อนที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยความเชื่อเกี่ยวกับเวลาเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นปรัชญาอยู่ะนะนะักคิดทั้งหลายเนี่ยก็จะแบ่งความเชื่อเป็น2กลุ่มหลักๆ กลุ่มนึงเชื่อว่าเวลานั้นของที่มีอยู่จริงนะอีกกลุ่มบอกว่าเวลาเป็นเพียงมายาเท่านั้นเรารู้สึกไปเองว่ามันมีจริงมันไม่มีจริงหรอกคนที่บอกว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนี้น้องฟางเคยออกกําลังกายอะไรเหนื่อยสุดเอางี้ดีกว่าวิงว่งวิง่งวิ่งรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเคยแคลนกิง้งไหมเออไม่ใช่สายโอเคเอาเป็นว่าทําอะไรก็ตามที่เหนื่อยมากๆสมมุติว่าทรมานมากๆเนีบางทีเรารู้สึกทำไมเวลามันผ่านไปนาน ผมลองผมลองแพนกิ้งอะ่ะสิบห้าวิอะ่ะเหมือนสิห้าปีเลย ม, มันคือแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้ะมองอีกไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนาทีอะ่ะออ อ, อันนั้นคือเวลาในทางความรู้สึกที่มันมีเหมือนกับปัจจัยจากตัวเรา ม, มาด้วยนิดนึงใช่นักนักคิดก็จะบอกว่าเราละเลยความรู้สึกของเราไม่ได้นี่ในเมื่ อ, อเรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ เ, เราจะเชื่อใจได้ยังไงว่านาฬิกาที่เป็น อุปกรณ์ของเรามันจะแม่นไปกับความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าในเมื่อมันไม่ตรงกันน่ะมันชวนตั้งคําถามว่าแล้วเวลามันมีจริงเหรอมันเป็นมายาหรือเปล่านะครับทำไมช่วงเวลาแห่งความสุขบางทีมันโอ้แป๊บเดียวทำไมแบบตอนทรมานนานๆเลื่อเกินนั่งเรียนฟิสิกส์อย่างโหมอะไจะเลิกคาบนี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยมันจริงจริงเออมันมันอยู่ในความรู้สึกเราก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเป็นมายาจริงๆนะอืมแล้วคําถามนี้มันนําไปสู่การทําอะไรต่อคะสําหรับคนนั้นที่เขาตั้งคําถาม มันไม่นําไปสู่อะไรมากเพราะว่าย<ม>ุค ก, ก่อนเนี่ยเ อ, อเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยังไม่มีทฤษฎีทางวิทศาสตร์มารอง<ม>รับมากมเขาก็จะเขียนกับอีกสายหนึ่งที่เชื่อว่าเวลาเนี่ยมีอยู่จริงอื<ม>พวกที่บอกเวลามีอยู่จริงเนี่ย<ม>เขาจะอ้างว่าเฮ้ยเวลาต้องมีสิเป็นของแท้<ม>เพราะว่าเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เนี่ยไหล ย, ย้อนกลับเลยอื<ม>เราเคยเห็นแต่เด็กเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่<ม>คนแก่แล้วจูๆกลับมาเป็นเด็กแบบหนังเรื่อง b e นจ a m i n b u t ต o n น่ะไม่มีจริงมันไม่มีจริงมันมีแต่ในหนังออ แล้วปรากฏการไหลหลายๆอ ย, าอย่างเช่นผมเอาเอ า, เอาเอาไข่ไก่มาครับแล้วก็ปล่อยแล้วทำให้มันแตกอะมันกระจายออกมาแบบชัดเจนเลยอะแล้วก็มีเสียงเพราะใช่ปะ่ะแต่เราใส่เพราะเข้าไปอะต่อให้ปล่อยเสียงเพราะแค่ไหนก็ตามอะไข่มันไม่กลับมาแล้วอะมันเหมือนมีทิศทางบางอย่างของการไหลอยู่นะไอ้พวกนี้บอกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่สื่ออะไรเงี้ยสองสายนี้ก็เถียงกันมาจนกระทั่งการมาถึงของนักฟิสิกส์ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันคนเนี้ย เขามองเวลาเลยว่าเอกภพจะต้องมีนาฬิกากลางอยู่เรือนหนึ่งแน่ๆเลยเรียว่าควบคุมทั้งหมดที่เป็นเหมือนกับเวลาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะต้องมีนาฬิกากลางที่คอยกำกับทุกปรากฏการณ์อยู่ก็ได้นาฬิกากลางตัวนี้นิวตันเรียกว่าแอบ o l u t e ไทม์หรือเวลาสมบูรณ์ะนะครับแล้วสิ่งนั้นเขาอธิบายว่ามันทางานยังไงหรือว่ามันคืออะไรอ่ะจริงๆมัน มันเป็นค่อนข้างจะเป็นปรัชญาแต่ว่าแนวคิดปรัชญาของนิวตันเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยคือสามารถนําเวลามาเป็นตัวแปรนในการคํานวณการเคลื่อนที่ต่างๆได้ชัดเจนมากมนะโดยมีแนวคิดเรื่องเวลาสำมบูรณ์เนี่อลองรับอยู่และจริงๆแนวคิดเกี่ยวกับเวลาที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยว่านาฬิกาอะตอมมันคาดเคลื่อนไปจากอะไรลึกๆเราก็เราก็เกชื่อว่ามันเคลื่อนไปจากเวลาสมบูรณ์ของนิวตันคำว่าเวลาสมบูรณ์ที่นิวตันบอกเนี่ยหมายความว่า จะอยู่บนโลกหรือว่าจะอยู่บนดาวดวงอื่นก็คือยึดหลักการเวลานี้จะอยู่ที่ใดก็ตามในเอกภพนาฬิกาเนี่ยมันฝังเข้าไปทุกอนูของเอกภพฝังเข้าไปในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมันฝังอยู่ในที่ว่างทุกงอย่างแล้วมันก็เป็นนาฬิกาที่แท้จริงที่คอยกํากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอะไรอย่างนี้ อันนี้ชวนถ อ, ถอยย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะคะในระดับที่อาจจะอยู่ในชีวิตประจําวันเพิ่มอีกนิดนึงเช่นถ้าเกิด ว, ว่าไม่ใช่ในเชิงหลักการของเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแต่เป็นเวลาในชีวิตประจําวันของเราอย่างเงี้ยตามตามมาสมาตรวัดระยะเวลาต่างๆเนี่ยมันคงที่ไหมหรือว่าจริงๆเวลาของโลกเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแนวคิดเรื่องเวลาสมบูรณ์ของนิวตันเนี่ยเป็นอะไรที่สอดคล้องกับการสังเกตของมนุษย์มากเลยคือ เราค่อนข้างเชื่อฝังหัวพอสมควรว่าปรากฏการณ์ต่างๆในเอกภพเนี่ยมันเหมือนจะมีนาฬิกากำกับอยู่แบบทุกเรือนเท่าๆกันหมดความเชื่อที่ว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นแค่จิตวิทยาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่แท้จริงทางธรรมชาติที่มีความเที่ยงตรงชัดเจนนะครับดังนั้นแนวคิดเรื่องเวลาสัมบูรณ์ของนิวตันเนี่ยค่อนข้างเกาะกลุ่มหัวใจนักฟิสิกส์มาได้แบบยอดเยี่ยมทีเดียวนักฟิสิกส์เขานั่งเชื่อถือฮะว่า เออมันควรจะมีนาฬิกากลางของเอกภพแหละอะไรเงี้ยจนกระทั่งออการถือกำเนิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งพิเศษและทั่วไปของอเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับซึ่งผลของมันเนี่ยชี้ว่าเวลาสัมบูรณ์ของนิวตันเนี่ยไม่น่าจะจริงแล้วละ่ะเพราะว่าเวลาของคนแต่ละคนเนี่ยมันมันใช้นาฬิกาคนละเรือนกันยังไงคะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคนของเอกภพเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะช้าเร็วไม่เท่ากันด้วยขึ้นอยู่กับอสองปัจจัยหลักๆ ก, ก็คือคนคนนั้นเนี่ยเคลื่อนที่เร็วหรือเปล่าอืกับสองคือคนคนนั้นอยู่ในที่ที่แรงโน้มถ่วงมากหรือน้อยสมมุติว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นผู้โดยสารสักคนหนึ่งนั่งอยู่ในยานอาวกาศที่ออกไปจากโลกเร็วมากยานนี้พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงมากไปสำรวจอะไรไม่รู้แหละแล้วกลับมายังโลกเนี่ยผมสำรวจอยู่สามปี แต่ถ้ายานลำเนี hm ้ยเคลื่อนที่เร็วมากเนี่ยนะครับสามปีที่ผมเดินทางไปกลับในยานอวกาศเนี่ยพอมาบนโลกเนี่ยนะฮะจะพบว่าเวลานบนโลกนะมันผ่านไปเกินสามปีมากอาจจะสามร้อยปีก็ได้อืเพราะว่าเราเนี่ยเคลื่อนที่ไม่เท่ากันอ่ใช่<ะ>คือคนในยานอวกาศเคลื่อนที่เร็วอ<ะ>พอมีการเ <escapes you S 2> <ๆ>คลื่อนที่เร็วเนี่ยทฤษสีสัมพัทธภาพพิเศษนะฮะสัมพัทธภาพพิเศ ษ, HN ษเนี่ยชี้ว่าเวลาที่อยู่ใน ในกรอบในกล่องด้วยเลไรก็ตามที่เคลื่อนที่เร็วนี่มันจะเดินทางช้าลงมันจะเดินช้าลงปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคิดอ่านของผมปรากฏการณ์การย่อยอาหารการแก่ของเซลล์ทุกอย่างเป็นไปตามเวลามันจะช้าลงเมื่อเทียบกับโลกแต่คนที่อยู่ในยานอ่ะจะไม่รู้สึกอะไรเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ปกติของเขานี่ตกติปกติครับโอเค ปกตินี้อะไรเงี้ยอเออว่ในยานก็ปกติดีอพอลงมาปุ๊บ ก, ก็แบบเอา้าทําไมโลกเปลี่ยนไปขนาดนี้ล่ะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในยานน่ะมันไม่ใช่นาฬิกาสัมบูรณ์ของนิวตันอีกแล้วอืมนาฬิกาที่อยู่ในยานมันเป็นคนละเรือนกับที่อยู่บนโลกอือแปลว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่จุดไหนที่มันต่างกันด้วยปัจจัยของความเร็วหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ย เราก็จะใช้หลักการเวลาคนละคนละหลักการนาฬิกาคนละเรือนอ น, นาฬิกาคนละเรือนแต่ว่าการเคลื่อนของเวลาเนี่ยเท่ากันแต่แค่ว่าความเร็วหรือความช้าเนี่ยต่างกันถูกไหมคะความเร็วกับความช้าต่างกันก็อาจจะเรียกว่าเป็นนาฬิกาคนละเรือนไหมอืมอืมแต่บอกนิดนึงนะครับอย่างนี้ครับก็คือว่าการเคลื่อนที่เร็วแล้วส่งผลเนี่ยมันมันไม่ได้สังเกตเห็นในชีวิตประจําวันนะมันต้องเร็วในระดับเข้าใกล้ความเร็วแสงอ๋อต้องแบบสุดสุดะ เร็วปีดอะเร็แฟลเลยอะอแบบเร็วมากครับเร็วแบบ เ, เร็วมากๆที่เราเห็นในไซไฟเช่นแบบนั่งยานอวกาศไปแล้วกลับมาแล้วแบบคนในยานไม่แก่คนบนโลกแก่เนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องนี้แหละแต่ถ้าดูในหนังบางเรื่องเช่นตอนที่มีการไปทำภารกิจแถวแหลุมดําแล้ว<ะ>แถวแหลุมดำเนี่ยเวลาผ่านไปแค่3ชั่วโมงหรือบริเวณที่แรงโน้มถ่วงสูงมากๆเวลาผ่านไปช้าผ่านไปแค่3ชั่วโมงพอกลับมาที่ยานที่แรงโน้มถ่วงต่ําๆเนี่ย เวลาผ่านไป 4-5 หปีอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้ะคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่มีที่มีความเข้มสูงมากเนี่ยจะทำให้เวลาเดินช้าลง อ, อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่านักเ อ, อ่อคนที่เขาไปสำรวจสิ่งต่างๆนอกโลกอย่างเงี้ยมัน ม, มีการพิสูจน์สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะว่าเวลาเราแบบคนละเรือนนาฬิก า, <อ>าคนละเรือน ปัญหาก็คือว่าเราไม่เคยเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงได้คือเราไม่เคยเราไม่เคยเข้าใกล้ความเร็วแสงแม้แต่อย่าว่าแต่ครึ่งเลย3 0มเราก็ยังทําไม่ถึงอะไรพวกนี้นะครับคือความเร็วสูงสุดที่มนุษย์ทําได้ในตอนนี้มันห่างจากความเร็วแสงมากมเราใช้ความเร็วมาพิสูจน์อย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากแรงโน้มถ่วงที่เราสัมผัสได้เนี่ยก็เออเราอยู่บนโลกเนาะเราทำการทดลองก็มนุษย์ไปได้ไกลที่สุดก็คือดวงจันทร์อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเราต้องพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นอวิธีพิสูจนนน์ของักกฟิิสะ หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการก็คือเขาเอาเครื่องบินไปบินรอบโลกครับ<ะ>ตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์ชื่อคุณคิดติ้งนะฮะเขาเอานาฬิกาอะตอมนะครับขึ้นไปบนเครื่องบินนะแล้วก็ให้เครื่องบินบินรอบโลกผลปรากฏว่านาฬิกาอะตอมเนี่ยพอเอาลงมาเนี่ยมันเดินด้วยอาาัตราที่แตกต่างจากนาฬิกาอะตอมบนโลกจริงๆผลการบินรอบโลกเนี่ยก็คือเครื่องบินมีความเร็ว ก็เป็นผลจากสัมพัทธภาพพิเศษแล้วตอนที่เครื่องบินบินรอบโลกเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากโลกหน่อยใช่ไหมมันก็จะมีะแรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อนาฬิกาอะตอมเนี่ยน้อยกว่านาฬิกาที่อยู่บนโลกจริงไหมอ่าขึ้นไปเนี่ยมันก็แรงโน้มถ่วงน้อยลงผลตรงนี้ก็พอเอามาคำนวณรวมกันปุ๊บมันสอดคล้องกับทฤษฎีของไอน์สไตน์ทําให้นักฟิสิกเชื่อถือทฤษฎีของไอน์สไตน์ว่าเอกภพเนี่ยใช้นาฬิกาคนละเรือนกันขึ้นกับแรงโน้มถ่วงกับความเร็ว แล้วการที่เราเข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สตน์เนี่ยมันทําให้เราได้อะไรมากขึ้นหรือว่าเอาไปใช้อะไรในมิติอื่นๆของชีวิตอีกนะคะจริงๆถ้าไม่นับเรื่องความยิ่งใหญ่ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้ว่ามีนาฬิกาคนละเรือนเนี่ยในเอกภพเนี่ยชื่อจริงๆเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มากแล้วนะ ม, มันทําให้เราเกิดจินตนาการทางสายไฟเต็ไมไปหมดเลยหนังอะไรที่ออกมาหลังจากเนี้ยโหเรื่องนี้แบบเล่นกันเต็ไมไปหมดได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้คือใช้ ใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์จากเรื่องนี้อย่างเต็มสูบเลยแต่ถามว่ามันอยู่ในชีวิตประจาวันเราไหมเนี่ยคาตอบคือมันอยู่นะฮะมันอยู่ในมือถือมันอยู่ในระบบการทํางานของดาวเทียมะออยังไงคะพี่คือลองนึกภาพอย่างนี้ก่อนดาวเทียมเนี่ยนะครับมันจะต้องทําหน้าที่ในการระบุตําแหน่งโดยอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมีเรื่องของ GPS หรืออะไรก็ตามอมดังนั้นดาวเทียมเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องจับเวลา อยู่ในอยู่ในตัวดาวเทียมแต่โอเคเราเอานาฬิกาอะตอมขึ้นไปใส่ทุกดาวเทียมไม่ได้นะครับมันใหญ่แล้วก็เปลืองแต่ว่าเขามีวิธีบางอย่างแล้วกันเรื่องนี้เขาไม่พูดแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเครื่องจับเวลาที่อยู่ในดาวเทียมคอยติ๊กๆๆอยู่ในดาวเทียมทีนี้ดาวเทียมเนี่ยมันโคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงมากแน่นอนว่าผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยจะต้องนำไปคิดบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องติ๊กในดาวเทียมตรงนี้ด้วยดังนั้นระบบ G P S หรืออะไรต่างๆที่ที่หรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับดาวเทียม มันต้องคำหนึ่งถึงทฤษฎีทฤษฎีสัมพัทธภ า, ภาพด้วย ค, คิดง่ายๆว่านาฬิกาอะตอมที่บินรอบโลกเนี่ยบินไปรอบเดียวเนี่ยมันก็ยังส่งผลนิดนึงละดาวเทียมนี่มันโครจรรอบโลกตลอดแล้วไม่มีใครเอามันลงมาจูนนาฬิกาใหม่ได้มันจะต้อง คิดถึงผลของความต่างเวลาตรงเนี้ยเข้าไปด้วยมันถึงจะทํางานได้ยอย่างมีประสิทธิภาพต้องเซตติ้งให้มันแบบทํางานถูกเว ล, ลาวโอเคโอเคอทีนี้พอเราคุยกันเรื่องเวลามาแล้วเนี่ยฟังคิดว่าจะไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแบบคลาสสิกก็คือทำแมชชีนหรือว่า<อ>แบบการย้อนเวลาเนะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เราจะเห็นว่าโอเคมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกับ การการมองเรื่องของเวลาแล้วก็ถ้าเราอยู่ต่างที่ไปแล้วก็อาจจะมีหลักการเรื่องที่บอกว่าเป็นนาฬิกาคนละเรือนใช่ไหมคะมแล้วอย่างนี้แปลว่าการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันมีการศึกษาเรื่องนี้จริงๆริงไหมหรือว่าเอ๊ะมันอยู่แค่ในแบบว่าในหนังเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมครับก่อนจะพูดเรื่องการข้ามเวลาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนว่าเวลาเนี่ยถึงวันเนี้นักฟิสิกส์เองก็ยังไม่มีทฤษฎีที่ฟันธงได้ร้อเซนะว่าเวลามัน ตัวตนจริงๆมันคืออะไรอแต่ละกรอบของทฤษฎีก็จะใช้กรอบแนวคิดในการอธิบายบรรยายเวลาที่มีความต่างกันบางทฤษฎีอมองว่าเวลาไม่มีจริงด้วยซ้ำทุกวันนี้แต่สิ่งที่ชัดเจนอีกอย่างคือว่าเวลาเนี่ยมันดันแปลกประหลาดก่บมิตออิหรือสเปซตรงที่ว่าผมมองไปข้างหน้าก็ได้ผมมองไปข้างหลังก็ได้แต่เวลาเนี่ยเราดันเคลื่อนไปในอนาคตได้อย่างเดียวผมอยากเดินไปข้างหน้าผมเดินได้ผมเดินถอยหลังผมเดินได้อ แต่นาฬิกาเรื่องของเวลาเป็นมิติที่เราต้องไปในอนาคตอย่างเดียวทําไมการเดินทางข้ามเวลามันถึงข้าเป็นไปได้นะทำไมมันถึงยุ่งยากถึงขั้นที่เราต้องมานั่งคุยกันละ่นะโอเคเรามาคุยกันก่อนว่าสรุปแล้วมันได้หรือไม่ได้เนาะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันเป็นความฝันของมนุษย์อย่างน้อยๆเวลาที่เราทําอะไรผิดเราอยากกลับไปแก้ไขอดีตนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครเคยทําได้อย่างน้อ ย, อ ย, อยที่สุดนะักฟิสิกส์ก็ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น แนวคิดเรื่องการเดินทางย้อนอดีตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเริ่มทีมันเป็นเรื่องของปรัชญาเนาะแล้วก็เป็นสายไฟอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องมือทางฟิสิกส์เรายังไม่ดีพออีกแล้วแต่ยังไม่ต้องฟิสิกส์ก็ได้เราพูดในมุมเชิงปรัชญาก่อนการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมเนี่ยทางตรร ก, กะหรือลอจิกอันนี้ไม่ใช่ฟิสิกส์นะแต่เป็นลอจิกค่ ะ, ค, ะคำตอบคือมันดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าสมมติว่ามีใครสักคนเดินทางย้อนกลับไป แล้วก็เอาปืนเนี่ยนะไปยิงปู่ตัวเองอืมปู่ก็ไม่มีพ่อพ่อก็ไม่มีเราอืแล้วใครยิงปู่สมมุติว่าย้อนกลับไปนานมากเลยแล้วเจอปู่ตอนเด็กผมยิงปู่ทิ้งอย่างเงี้ยอปู่ก็ไม่โตมามีพ่อค่ะแล้วก็ต้องไม่โตมามีผมผมก็ต้องหายไปอืมแล้วในเมื่อผมหายไปการยิงปู่ก็จะไม่เขาเรียกว่าเกิดพาราดอกซ์หรือความย้อนแย้งเชิงอลอจิกขึ้นค่ะอืนะฮะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ที่ ทำให้เราค่อนข้างเชื่อว่าการย้อนเวลาไม่น่ามีจริงแต่บรรดาเหล่าผู้ที่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ก็จะหาทางออกให้มันซึ่งก็มีนะเะช่น<ะ>การย้อนกลับเวลากลับไปยิงปู่เนี่ยหนึ่งคือเขาเชื่อว่ามันอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้น<ะ>เพราะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะต้องย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปเติมเต็มอดีตเท่านั้นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตได้การพยายามยิงปู่กับจะทําให้เติมเต็มอดีตที่ ท, ที่ที่มันจะส่งเสริมอนาคตที่เราวัดได้ บางทีถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะเราอาจจะไปเจอปู่คนอื่นที่เราคิดว่าเป็นปู่เราแต่เป็นปู่ในอีกมัลติเวิร์สก็ได้โอ้มผมผมกำลังจะบอกว่านักฟิสิกส์ที่พยายามหรือนักคิดที่พยายามหาทางออกให้กับ<ฆ>ราระดอกหรือความย้อนแย้งนี้ ม, น<ฆ>มันก็มีเขาก็วิจัยกันอยู่<ฆ><ฆ>หรือแม้แต่ถ้าใครก็ตามเคยดูโดเรมอนนะคร<ฆ>ับมันจะมีตอนคลาสสิกตอนหนึ่งที่โนบิตะเนี่ยอยากอ่านการ์ตูนอาทิตย์หน้ามากก็นั่งทาแมชชินในอนาคต ไปซื้อนิตยสารการ์ตูนอะหลายสัปดาห์มาอ่านคแล้วอยากรู้อีกไม่รอละไปในอนาคตอีกอเอามาอ่านเอาไปเอามาพอย้อนกลับมาในปัจจุบันนักเขียนการ์ตูนมาเจอเข้าอีท่าไหนผมไม่ทราบนะนักเขียนการ์ตูนก็บอกเฮ้ยกาลังคิดไม่ออกพอดีก็เลยเอาการ์ตูนเล่มเนี้มาลออ่อเว้ยอื อ, อกลายเป็นว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยใครเป็นคนคิดละ่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆในเอกภพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความ งานสร้างสรรค์ของมนุษย์มันเกิดขึ้นจากความบ้างเปล่านี้ได้ด้วยเหรอ ถ, ถ้ามีการเดินทางข้ามเวลาได้จริงอย่างนี้มันก็มีคนมาหาทางแก้ได้อีกแหละแต่ถ้าถามนักฟิสิกส์แบบปัจจุบันเลยนะฮะแบบว่าด้วยทฤษฎีมาตรฐานหรือกระแสะหลักเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องการย้อนเวลาว่ามันจะเพราะมันจะเป็นไปได้หนึ่งเลยคือมันค่อนข้างขัดแย้งกับลอจิกอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับพื้นฐานทางฟิสิกส์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาง่ายก็ได้ว่า เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะสร้างอุปกรณ์แบบไหนอย่างไรในการพาเราย้อนเวลานะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยถ้าเราอยากอยากไปในอนาคตอยากเห็นโลกอนาคตเนี่ยเราอาจจะนั่งนั่งยานที่มันเคลื่อนที่เร็วใกล้แสงแล้วกลับมายังโลกอีกทีนึง่งเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้ไม่แก่แล้วก็เห็นโลกที่เปลี่ยนไปหลายพันปีการไปในอนาคตในลักษณะนั้นเนี่ยยังพอเป็นไปได้แต่ย้อนอดีตเนี่ยมันจะช่องใช้เครื่องยนต์กลไกแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือถ้ามันเป็นไปได้จริงเนี่ย ลึกๆแล้วนะฟิสิกส์เชื่อว่ามันจะต้องมีอนุภาคหรืออะไรบางอย่างที่แอบย้อนเวลามาให้เราเห็นบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อะไรทำนองนั้นมแมแ้แต่เป็นทางอ้อมก็าตามนะค่ ะ, คะ พอพอฟังเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเออเรื่องของเวลานี่เป็นเรื่องที่มีความหมายที่ลึกซึ้งจริ ง, รงๆนะแล้วก็ยังมีเหมือนกับข้อถกเถียงหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ได้สิ้นสุดในวันนี้เนาะแล้วในมุมของพี่ปองแปงเอ ง, เองที่ที่ศึกษาแล้วก็อยู่กับเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยเห็นข้อมูลต่างๆมาพี่ปองแปงมองว่าเออเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเออมันมันกลับมาบอกอะไรกับเราหรือมันให้อะไรกับเราจริงๆเรื่องของเวลาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ลึกลับที่สุดทางฟิสิกส์อย่างหนึ่งเลยนะคร แต่ในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะจบรายการอย่างนี้ดีกว่าว่าถึงแม้เราจะไม่เข้าใจมันนะแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แน่ๆคือมันเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดเพราะมันไม่เคยย้อนกลับได้แล้วไม่มีทางเลยที่จะสร้างเครื่องเก็บเวลาหรืออะไรที่แบบทําให้เราเข้าไปแก้ไขอดีตหรืออะไรแบบนั้นได้อย่างน้อยที่สุดก็ในยุคนี้ดังนั้นการรักษาเวลากับการพยายาม มีสติอยู่กับเวลาในปัจจุบันเพื่อจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังครับคือสิ่งสำคัญที่สุด m. เป็นแบบว่าการโจทย์ที่แบบสวยงามข<พ>องคนจริงๆฟั ง, ง, งว่าวันนี้มันเป็นสเสน่ห์นึ่งของของการศึกษาทางฟิสิกส์เลยเนาะว่าแบบมไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีคําตอบที่ตายตัวแล้วในทุกอย่างแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าเรื่องราวของเวลาเนี่ยมันมีนาฬิกาคนละเรือนเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะคะว่านาฬิกาเรียนของคุณเนี่ยอยากจะให้มันเดินแบบไหนเนาะก็กลับมาติดตามใดๆในโลกโลฟิสิกส์กันได้นะคะก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ YouTube The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเรานะคะได้ทุก Podcast Player เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ